รวมเรื่องที่มีในสัตตะสติกะขันธกะพวกภิกษุวัตชีบุตรแสดงวัตถุสิบประการ บรรจุน้ำให้เต็มถาดสำริดวางไว้ในโรงอุโบสถแนะนําให้อุบาสกอุบาสิกาถวายรูปิยะเมื่อพระยศกากันฑกบุตรไม่เห็นด้วยก็ลงปฏิสารณียกรรมท่านพระยศกากันฑกบุตรพร้อมด้วยอนุทูตเข้าไปกรุงเวสาลีท่านพระยสกากันฑกบุตรกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคตรัดเครื่องมัวหมองสี่อย่างของสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนเครื่องมัวหมองของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สมณพราหมณ์รับทองและเงินย่อมเศร้าหมองต่อมาท่านพระยศก า, กากันดกบุตรไปปรากฏตัวที่กรุงโกสัมพีภิกษุชาวเมืองปาเถยะชาวอาวันตีทักคีนาบทปรึกษากัน สแสวงหาพักพวกในขณะที่ท่านพระเรวตะพักอยู่ที่เมืองโสเรยะต่อไปเมืองสังกัสสะเมืองกันนะกุชชะเมืองอุทุมพระสหาชาตินครท่านพระสมพูตะสารวาสีบอกท่านพระยศก า, กากันดกบุตรให้ไปถามปัญหากับท่านพระเรวตตะในขณะที่ท่านเชิญภิกษุอันเตวาสิก ให้สวดสารพันยะจบพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้ทราบข่าวว่าพระยศากากันดกบุตรจะวินิจฉัยอธิกรจึงสแสวงหาพักพวกจัดเตรียมสมณบริขารมีบาดเป็นต้นโดยสารเรือไปสหาชาตินครพระอุตระ รับคําของพวกภิกษุวัดชีบุตรถูกท่านพระเรวตตํตำหนิร้ายแรงสงมุ่งจะวินิจฉัยอธิกรณ์ไปกรุงเวสาลีในขณะที่ท่านพระเรวตตตอบท่านพระสัพพากามีว่าตัวท่านเองอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมเมื่อจะวินิจฉัยอธิกรณ์ ได้ประกาศให้สงทราบทั่วกันว่าจะระงับอธธกรด้วยอุปพาหิกะวิธี สัตตสติกะขันธกะจบจุลวัตรจบ